เดืดก่อนไม่ได้เจอกันพาวนาหรือเปล่าต้องภาวนานะเจอหลวงพ่อหรือไม่เจอต้องภาวนาดังนั้นก่อนหลวงพ่อไม่ได้ขี้เกียจนะพ่คดีต้องไปเผาศพครูบาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูล่ น, นก่อนหลวงพ่อภาวนาดีแต่ท่านบวชอายุตั้ง6กสิบละบวชเมื่อแก่นคนแก่ก็ภาวนาได้นะอย่าท้อใจ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 สนใจจริงๆมีพระบางองค์ท่านตั้งข้อสังเกตว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีปรากฏการใหม่ท่านเรียกว่าปรากฏการหลวงพ่อประโมดนะคือเป็นปรากฏการที่คนหันมาสนใจการปฏิบัติจริงๆแล้วก็มุ่งมรรผลนิพพานจริงๆไม่ใช่ปฏิบัติเล่นๆแล้ไม่ใช่เอาแค่ทําบุญแต่อยากพ้นทุกข์จริงๆนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องสําคัญมากนะ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 ให้พระมักน้อยสันโดษเลยเนี่ยให้ฝึกปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุติเวลาพูดเวลาสอนจะสอนวนเวียนอยู่แต่เรื่องเท่านี้เองกลับได้รับการยกย่องนี่พระพุทธเจ้ายกย่องมากมากนะพระสารีบุตรได้ยินพระสารีบุตรก็เลยสั่งลูกศิษย์ของท่านไว้ว่าถ้าหากพระมันตานีบุตรมาเมื่อไหรนะให้ไปบอกนะพระสารีบุตรจะรีบมาทักทายนะ ทำความรู้จักกันไว้นี่วันหนึ่งพระพุณณามันตนีบุตรมาจริงๆมาเฝ้าพุทธเจ้าสนธนาธรรมกันพอสมควรแล้วนะท่านก็ออกไปอยู่ที่ป่าไปพักผ่อนตอนกลางวันเนี่ยไปพักในป่าลูกศิษย์ภาษาลิบุตรเนะีเห็นพระปุณณามันตนีบุตรมารีบไปบอกภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรรีบกว้าอัศนะนะตามไปตามไปในป่าไปถึงก็เห็น พระมันตานิบุตรท่านพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพระสารีบุตรก็ไปพักอีกต้นหนึ่งไม่ไม่ทะเลาะทาร่าเข้าไปนะมีมารยาทเวลานี้ท่านจะพักผ่อนะไม่ใช่ชั้นจะคุยธรรมะงั้นเวลาหลวงพ่อพักผ่อนนะียอย่าไปยุ่งกับหลวงพ่อนะบางคนแล้วมันยังไม่ให้เราพักเลยนะเรียกว่าไม่ถูกธรรมเนียมนะนี่ยขนาดพระสารีบุตรนะท่านเป็นอัครสาวกนะศักดิ์ของท่านสูงกว่าพระมั น, มนตานิบุตร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 นะเราก็พอเห็นร่องรอยของพิษนิพพานได้นะว่าถ้าใจเราไม่ถูกบีบคั้นเราจะมีความสุขแค่ไหนใจของเรานะ่ยเที่ยวยึดถือสิ่งต่างๆไปเรื่อยยึดอะไรก็ทุกข์ราอนนั้นนะเนี่ยสมมุตินะนี่ยึดมีกระดาษหนึ่งแผ่นนะมีขวดหนึ่งอันนะถามว่าอันไหนหนักกว่ากันนะเราก็ต้องบอกว่าขวดหนักกว่าใช่ไหมโดยสามัญสำนึกนะ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 สิ่งใดที no ai, like on, us, us, ่เรารู bleiben, between, ้สึกเป็นตัวเราก็คือกายนี้กใจนี้เรารู้สึกว่ากายเป็นตัวเราใจเป็นตัวเราผมไม่มีใครรู้สึกว่าไมโครโฟนเป็นตัวเราโต๊ะเป็นตัวเรานาฬิกาเป็นตัวเราหหรือคนอื่นเป็นตัวเราหรือพื้นเป็นตัวเราผมไม่มีใครวิปลาสขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเขาวิปลาสพอสมควรล้เป็นความเห็นผิดเป็นความเข้าใจผิดเป็นการหมายรู้ผิดผิด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 ไปนานๆนะกว่าจะได้ก้าวนึงน้ถ้าถูกหมาไล่กัดมันกัดตายไปนานแลวหนีไม่ทันนะเราจะไปดัดแปลงมันนะในอัตถกถาเนี่ยนะในคำพี์ชั้นอัตถกาถาเนี่ยสอนไว้เลยถ้าเมื่อไรอยากปรุงแต่งฝ่ายดีอยากอยาปฏิบัติธรรมเนี่ยปรุงแต่งฝ่ายดีนะสิ่งที่ทํามาเนี่ยก็คืออัตตะกิลมัทฐานุโยคอัตตะกิลมัทฐานุโยคคือการทํากายทําใจให้ลําบาก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 เรากดขม่มบังคับตัวเองสารพัดเลยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่เป็นธรรมชาตนะิใจเราจะมีความรู้สึกอะไรเราก็คอยควบคุมคอยบังคับคอยกดขม่มจนเครียดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเต็มไปด้วยความทุกข์เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองเราสร้างความลําบากในกายในใจขึ้นมาเองลองเปลี่ยนซะนะอย่าไปเพ่งกายอย่าไปเพ่งใจอย่า ก, กำหนดกายอย่า ก, กำหนดใจให้มีสติรู้กายให้มีสติรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเล่นๆ วันหนึเราจะเห็นความจริงเลยทั้งกายทั้งใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเคลื่อนไหว เ, เปลี่ย น, ปนแปลงตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเห็นแต่สภาวะธรรมแต่ไม่มีตัวเราเช่นะ ften, ความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสภาวะธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความโลภเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วผ่านไปหมดเลย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 นี่เสียงหายไปเฉยๆแสดงว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเรื่องเจ็ดปีนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะดูไปเรื่อยฝึกไปบางคนก็รู้สึกแหมภาวนามาตั้ง3วันแล้วยังละสักกายทิ่ถีไม่ได้เลยใจร้อนใจร้อนเวลาสะสมกิเลส น, นะสะสมมาตั้งหลาย10ปีใช่เมเวลาจะมาเจริญสติให้รู้ถูกให้เข้าใจถูกแหมสองสาวันจะเอาละบางคนก็3เดือนนะ สเดือนทำไมไม่ได้สักที7เดือนทำไมไม่ได้สักทีทำไมอ่านหนังสือดังตรีนบอก7เดือนบรรลุธรรมนี่เราอ่านว่า7เดือนกับ3วันยังไม่บรรลุอีกอะไรเงี้ยนะอย่าใจร้อนอดทนคอยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆไปการที่เราค่อยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปนะถึงขณะนี้จะยังไม่บรรลุมรรคผลเราก็มีความสุขแล้ว ท, ทันทีที่รู้สึกตัวใจเราตื่นขึ้นมาเราจะเริ่มมีความสุขจิตใจจะมีความสุขขึ้นมา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 เมื่อก่อนมีคนเป็นห่วงบอกมิตรศอนของหลวงพ่อนะไล่ชี้ให้ดูสภาวะนะถ้าไม่มีหลวงพ่อแล้วจะตื่นได้หรือเปล่าตอนนี้มีบทพิสูจน์นะพิสูจน์ว่าตื่นได้แน่นอนคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยนับจํานวนไม่ท้วนนะตื่นขึ้นมาได้จริงๆรู้ตัวขึ้นมาใจขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวมองเห็นนะใจมีกิเลสเล็กกิเลสน้อยเริ่มมองเห็นแนละ้วใจค่อยคลายออกจากโลกค่อยคลายออกจากความปรุงแต่งเป็นลําดับลําดับ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 มาแปลให้เมื่อสองสวันนี่เอแต่เดิมนะดังตรินไปคุยกับหลวงพ่อดังตรินก็บอกผมรู้แล้วว่าคนทั่วๆไปนะกับพระอรหันต์เนี่ยต่างกันยังไงคนทั่วๆไปเวลาคิดรับเกิดอิมเมจพระอรหันต์คิดไม่มีอิมเมจเนี่กเก็เออเออเ อ, อ, อิมเมจอิมเมจแปลว่าอะไรว่านะมีคนท่านมาแปล บ, บอกมันเป็นมโนภาพเออใช่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 มรดกการค่ะหลวงพ่อเพอิ่งมาครั้งแรกค่ะปฏิบัติทำแนวท่านโคนก้าอย่าบอกสิไม่ต้องบอกนะเดีย๋ยวไปกระตบกระทั่งของโยมอย่าไปบังคับมันนะยังบังคับอยู่พยายามรู้สึกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเนือเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆฝึกแยกไปถ้าไม่สามารถแยกรูปธรรมนามธรรมทัานานท้งหลายออกจากกันได้เนี่ยจะไม่สามารถเห็น ความไม่ใช่ตัวตนของรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายอย่างถ้าเราแยกได้เราจะเห็นในร่างกายที่กําลังนั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาที่แทรกเข้ามาในกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะจิตที่เป็นคนไปรู้ก็เป็นแค่ธรรมชาติรู้นี้ไม่ใช่ตัวเราฝึกอย่างนี้นะอา้าวถามได้จะขอวิหารธรรมนั่นแหละสอนไปแล้วนะไปดูเอาค่อยๆแยกไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะดูไป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 กลับนมนตาชการหลวงพออ่อค่ะเปีที่แล้วติดประคองนะคะแล้วก็หลวงพ่อให้ดูกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะค่ะก็รู้สึกไหมมันคลายออกนะขาดายออกค่ะแล้วสังเกตต่อไปอีกนะอย่างตอนนี้ยกลัวหลวงพ่อก็เลยกดเอาไว้ดูออกไหมดูออกค่ะแล้วจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมไม่ค่ะดูออกไหมจิตตอนนี้ไม่ตั้งมั่น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 หลวพครับโดยรวมแล้วผมเริ่มจะรู้สึกตัวเป็นอย่างไรก็เป็นนะโดยรวมก็พอใช้ได้แล้วแต่ตอนนี้จิตมีโมหะดูออกไหมความรู้สึกของเราขณะนี้มัวมัวไม่ชัดเจนซึมซึมมัวมัวดออกไหมครับนะไม่ต้องเกรงใจนะถ้าไม่ออกก็จะได้พาดูอย่างอื่นแทนนะที่จิตมันมีโมหะอยู่ให้รู้ทันนะครับจิตเป็นยังไงให้รู้ทันไปด้วยจิตแอบไปคิดแล้วทราบไหมครัตอนนี้จิตมันไหลๆๆๆไปคิดครให้รู้ทัน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 ใจเราหายไปตัวเราหายไปรู้สึกบ่อยๆนะโอภานาเก่งเด็กันนี้ใจมันตื่นเลยเขินแล้วรู้สึกไหมเขินแล้วรู้สึกเขินแล้วต่อไปนี้ให้กันบ้านเวลาอยากดูหนังกระตูนะให้รู้ว่าอยากแล้วก็ค่อยดูทีหลังนะเวลาอยากกินขนมให้รู้ว่าอยากแล้วก็ค่อยกินทีหลังนะให้รู้ก่อนนะแล้วค่อยไปดูค่อยไปกินเวลาอยากไปเล่นให้รู้ว่าอยาก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 S <S <S พยายามปฏิบัติในชีวิตธรรมดาธรรมดานี่ให้มากๆเกนส่วนกันเวลาไปนั่งสมาธิมันกดก็รู้ว่ามันกดไปก็นั่งไปนะนตอนนี้ก <ไป S 2> ดไม่มากแล้วใช้ได้จิตมันมัวรู้ด้วยความเป็นกลางเพราะฉะนั้นจิตมัวรู้ว่ามัวไม่ต้องอยากให้หายถ้าอยากให้หา ย, ยังไม่หาย <ะ S 2> เวลาที่เราอยากให้เป็นอย่างน้นอยากให้เป็นงี้จิตมันมีความอยากมันมีกิเลสสติแท้ๆเลยไม่เกิด นะแต่ถ้าจิตมัวมีสติรู้ทันว่าจิตกําลังมัวอยู่เนี่ยจิตจะหายมัวเลยรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางนะรู้ไปครับนะตอนนี้มีประคองไว้นิดหน่อยน ะ, ะคนต่อไปขอบคุณมากเห็นไหมตอนส่งใหม่กับตอนรับใหม่ลืมทั้งคู่เลยรู้สึกไหมนบัณฑิตนะครับ<ล>ช่วงนี้ผมใช้การรู้กายเคลื่อนไหวกับสวดมนต์สลับกันไปเครื่องอยู่นะครับก็ยัง<ะ>นิ่งแล้วก็ซึมอยู่นะครับ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 เคยฟังค่ะฟังก็ใช้ได้แล้วล่ะรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วจิตเราสว่างกว่าเมื่อก่อนรู้สึกไหม <c oughs> มันปโปร่งมันโล่งมันเบาขึ้นมาแล้วนะคะงั <c oughs> ้นเรามีสติตามดูของเราไปเรื่อย <c oughs> คอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อย <c oughs> แล้วอยากจะทราบว่าตอนขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยทําไมเราถึงได้กลิ่นกระสอบป่านคะ <c oughs> กลิ่นเลยนะกระสอบปานข้าวอะคะ่ะได้กลิ่นอะไรก็ช่างมันเห็นอะไรก็ช่างมัน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 ขอคำแนะนำปฏิบัติต่อด้วยคให้รู้ทันจิตที่ส่งออกนอกอย่างตอนนี้จิตส่งไปคิดทราบไหมให้รู้ทันนะรู้ไปด้วยความเป็นกลางเนี่ยไปคิดอีกแล้วทราบไหมยังกดอยู่นะกดอยู่อย่าไปกดถ้ากดแล้วจะไม่เป็นพระโสดาในขณะนี้ต่อไปกลับนะมันสการหลวงพ่อครับ เ, เมื่อสองปีที่แล้วเคยไปส่งกันบ้านแล้วตอนนั้นจิตปิดเพงแล้วก็ประคองเยอะนะครับ ตอนนี้เข้าใจว่าหลุดออกมาเจอตรงนั้นแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าถูกนะถูกตอนนี้แค่กลัวหลวงพ่อแล้วกดเอาไว้เลนิดหน่อยนะอย่าจิตนี้ไปคิดทราบไหมเนี่ยเริ่มกดล้เริ่มกดแล้วนะ <c oughs> เวลาที่เราจงใจที่จะดูสภาวะอยากจะดูสภาวะให้ชัดๆตรงนี้แหละเราจะไปเพ่งนะความเพ่งทั้งหลายนะบางทีเกิดจากจงใจที่จะดูก็จ้องเข้าไปเลยจิตก็นิ่งๆไปรู้สึกไหมตอน น, นี้นิ่งไปและ <S <S อย่าไปทําอย่างนี้นะปล่อยให้มันโซนๆไหมเอาตัวจริงออกมาตัวจริงซนกว่านี้นะอย่าไปบังคับให้จิตนิ่งๆรู้รสึ ก, สกว้าบางังคับไม่เลิกว่าไงคือคือรู้ตอนนี้ที่เห็นตัวเองคือกิ่ละจะติดดีคือค อ, อยากให้จิตมันดีถองไม่ไดีก็ให้รู้ทน<ม>ัน ค, ความอยากนะความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันความอยากเป็นตัวสมูทัยเป็นตัวสร้างพบพบก็คือเป็นคนดี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 ไปไปที่ไหนไม่สําคัญนะไปที่ไหนก็ต้องมีสติเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมที่สวนสันติธรรมที่ผาซ่อนแก้วหรือที่ไหนทั้งสิ้นเราฝึกอยู่ที่กายที่ใจนี้กายเราอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ที่ไหนเราฝึกที่นั่นคือมีสติตามดูไปเรื่อยๆสถานที่เป็นแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองบางสถานที่ก็เอื้ออํานวยบางสถานที่วุ่นวายมากทําให้เราดูกายดูใจไม่ได้ก็แค่นั้นเอง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 มียางเหนียวเหนียวหุ้มอยู่นะพอจิตมันรู้ว่ามันถูกห่อหุ้มอยู่นนะมันไม่ชอบเลยมันพยายามจะดิน้นมันดิ้นมาทางนี้นะมันก็ยืดตามมานะไม่หลุดมันดิ้นทางนี้มันก็ยืดตามมานะพอครั้งที่สามมันจะขึ้นทางนี้ขยับปุ๊บนะจิตมันหลุดออกมาสะก่อนนะแต่แกก็ฉลาดอย่างหนึง่งแกรู้ว่าแกไม่ได้บรรลุมรรคผลแกรู้ว่าไม่พ อ, อยังทาไม่พอไม่พอตรงไหนผิดตรงไหนรู้ไหมอืม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 แต่ตัวที่กวางมากผลอยู่คือตัวที่ไปกดมันไว้เราะฉั้นเราไม่กดนะเราปล่อยให้กายให้ใจทํางานแล้วเราตามดูเล่นๆทำดูสบายไม่กดนะคแล้วนั่งสมาธิยังต้องนั่ง<ว>ให้ใหลวงพ <ทำ S 2> ่ดูสิเนี่ยเริ่มรู้สึกไหมน้อมใจให้นิ่งถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาอย่าน้อมใจลงไปตรงนั้นลืมตาซิลืมตาก่อนเห็นไหมจิตตรงนี้กับจิตตะกี้ไม่เหมือนกัน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 ยังไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรเป็นวิหาระอะไรก็ได้นะนะเราฝึกให้มีสติเท่านั้นแหละฝึกแล้วสติเกิดบ่อยนะก็เอาอันนั้นรู้จักใจลอยไหมครับบาง ค, นะครั้งก็รู้ถ้าใจลอยแล้วเรารู้ว่าใจลอยเรื่องเรามีสติขึ้นมานละ้วนะเราคอยรู้ทันไปจะขยับก็ได้ขยับเล่นๆอ่ะ เ, เหมือนนะที่หลวงพ่อเทียบตะกี้ว่าเหมือนมีขวดน้าเป็นตัวตั้งไหมท่านั้นใจเราเคลื่อนไปจากนี้เราก็รู้ทัน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 ตอนน้ำไม่เปน็นน้นต ก, นกแล้วเด้งครับการนมัสการพระอาจารย์นะเจ้าค ะ, ะปีที่แล้วยมไปปฏิบัติที่สวนสถติธรมรมอาจารย์บอกให้แก้ไขว่ายังติดสมถ ะ, ะและจิตมักจะไหลลงไปแช่ในกายอตอนนี้ยมอยากจะเรียนถามว่าดีขึ้นหรือยังดีขึ้นตั้งเยอะเลยรู้สึกไหมล่ะใจเราโปร่งโล่งเบาใจเราปลาดเปรียวว่องไวเห็นกิเลสอะไรเกิดเราก็เห็น นั่นแหละดีที่สุดแล้วแต่เราไม่ได้ฝึกให้ไม่มีกิเลสนะเราฝึกกิเลสมาเราก็รู้กุศลมาเราก็รู้สุขทุกมาเราก็รู้ไปด้วยในสุดก็เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยยมฝึกได้ดีมากนะกดีละใจมันตื่นได้เต็มที่แล้วสบายรู้สึกไหมมีความสุขภาขวานานแล้วมีความสุขเนี่ยนี่ขนาดยังไม่เป็นพระอริยะนะสุขขนาดนี้เราคิดดูสิเนี่ <c oughs> <c oughs>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 าานี่เรียกว่าสันตติมันขาดแล้ว<า>มีพัศนาแท้ๆมันเริ่มตรงที่สันตติมันขาดหรือคณะขอละคังเรานหนูคณะกลุ่มของกลุ่มก้อนของความเป็นตัวเรานี่มันแตกออกไป<า>ดีปึกไปขอบคุณค่ะหนูพ่อค่ะดูยกไม้แบบนี้แบบร้องคาราโอเกะค่ะ okay. <c oughs> หนูเคยเออหลวงพ่อเคยแนะนำให้หนูดูกายไปด้วยค่ะ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 ฝึกได้ดีนะอ้าหมดแล้วเหรอมายดีใจดีใจหนอดีใจแล้วรู้ว่าดีใจหลวงพ่อก็พูดไปไงั้นแหละใจยเฉ ย, ยๆยอ๋อมีบอกให้สรุปอีกสรุปนะสรุปครูบาอาจารย์แต่และองค์นะท่านสรุปคำสอนของท่านกระทัดรัดแต่และองค์อย่างหลวงปูด่ดูล น, นะท่านสรุปมานิดเดียวบอกให้ดูจิต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 อย่ารีบร้อนใจเย็นๆไว้ถ้าอยากได้เร็วนะจะไม่ได้ผลถ้าไม่ต้องทำด้วยความอยากแต่รู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยไปนี่จะได้ผลอย่างรวดเร็วนะถ้าอยากให้มีผลอยากจะเป็นโสดาสกทาคาอนาคาเป็นพระอราหันต์จะไม่ได้แต่าตามสถิตินะพวกผู้ชายเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองเป็นโสดาบันมีมากกว่าผู้หญิงเนี่ยพวกอีโก้จัดส่วนผู้หญิงเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองเป็นพระอราหันต์เนี่ยมีมากกว่าผู้ชาย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 อภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาป จ, จายโนจัตาโรธรรมาวัทันตี